มานจะมาทำทำหน้าที่ขอมันสำเร็จเมื่อเราเห็นมันแล้วเราตกใจกลัวเราตกใจกลัวเนี่ยนะมันมันทำงานสำเร็จแต่ถ้าเห็นแล้วไม่กลัวรู้เฉยๆว่ามีอะไรเกิดขึ้นมานเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งที่น่ารักมากเลยคือขี้อายเรามองคนอาจจะมีไม่มีลักษณะอย่างนี้ใช่ไหม เราบางคนเนี่ยถูกทักแล้วยังไม่อายเลยแต่มารเนี่ยนะถูกทักแล้วอายม้วนเลยพระโมกคลาเนี่ยนะโมคขลาเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนะมีฤทธิ์มากด้วยถูกเทวปุตตมานเข้ามาในท้องปกติเทวดาเนี่ยจะจ ะ, จะเหม็นมนุษย์มากแต่มารเนี่ยคิดจะแกล้งพอเข้ามาในท้องตอนทีแรกเลยเนี่ย พระโมคคลานะ่ะยังยังไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะท้องทำไมหนักหนักแสดงว่าอาหารอาจจะเป็นพิษหรือเปล่าท่านก็หยุดดูเข้ามานั่งในกุฏินะแล้วก็ดูอ้าวไม่ใช่อาหารไม่มีปัญหาอะไรมันมีมันมีจิตไปดูแลอ้อพญามาณก็เลยทักมานเราเห็นท่านแล้วทักนี้นะพญามาณก็จริงหรือเปล่าเนี่ย ไม่น่าจะเห็นเร็วอย่างนี้เรามาอย่างเนียนมากเลยนะไม่น่าจะเห็นเร็วอย่างนี้ <c oughs> ก็เข้าใจว่าพระโมคคลาเนี่ยจริงๆไม่เห็นหรอกแต่ทักมั่ว <c oughs> เราเราอาจจะเคยทักคนมั่วๆก็มีใช่ไหมแต่มาก็เนี่ยไม่น่าเห็นหรอกพระพุทธเจ้ายังไม่ทักเราเร็วขนาดนี้เลย <c oughs> คิดอย่างนี้เลยนะพระพุทธเจ้ายังไม่ทักเราเลยขนาดนี้เลยพระโมคคาาจะมาอะไรเห็นเร็วอะไรขนาดนี้ <c oughs> ก็ยัง <c oughs> <ๆ S 1> ไม่ไปไหนยังอยู่ตรงนั้นนะ พระโมคคัลาน่ก็บอกว่าท่านคิดว่าเห็นเร็วไปเหรอเราเห็นท่านจริงๆนะแล้วคิดว่าพระเจ้าท่านที่ทักช้าเนี่ยท่านไม่เห็นเหรอท่านมีความกโกรณาต่อท่านต่างหากแต่ตอนนี้เราเห็นท่านแล้วรู้จักท่านแล้วมานเรารู้จักท่านจริงๆนะไม่ได้ไล่เลยนนะแค่แค่ทักว่ารู้จักแล้วนะมานตกใจรีบออกจากท้องนะไม่รู้ออกมาทางช่องไหนนะ ก็ไปหลบอยู่ข้างประตูกะว่าไม่เห็นท่านก็ทักอีกมารท่านหลบอยู่ข้างประตูเราก็รู้นะโอ้คราวนี้ไม่อยู่เลยไปเลยนี่คือลักษณะที่น่ารักของมารงทีเราแกล้งทักเราไม่เห็นก็แกล้งทักซ้ําๆก็ได้นะเผื่อมาร์ทไม่เชื่อก็ทักซ้ำสสามสี่ทีก็ได้วนี่คือมาร มานที่5เาว่าปุตตมานกิเลสมานที่เรารเผชิญอยู่เนี่ยเป็นสิ่งปกติที่เกิดจากจิตที่มันไม่ฉลาด